عن ل ع و ز ب ا ل ل ه ِ م ن ا ل ش َّ ر ط ا ن ا ل ر ج ي م و َ ق َ ا ل و ا ر َ ب ن ا ع َ ج ل ل ن ا ط ق َ ا ن قبل يوم الحساب <س ؤ> ال> إ ْ ب ر على ما يقولوا و ا ل ُ ر َ ب د َ ن َ ا و د ذ َ ل أ ي ِ إِنَّهُ أ َ و َ ا ب إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ ي و س ف إحنا بالعشي والإسراق والطير محشورة كل له أ و ا و َ ش َ د َ د َ ن َ ا مُلْكَهُ و َ آ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ الْحِكْمَةُ وَفَصْلَ الْخِطَابِ อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺลลอฮฺอัลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอฮลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัฮ اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله ا ل ت م ا ت من شر ما خ ل ق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد د ر س و ل اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء القبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أ ف ن ي في بدني و ا ف ن ي في سمي و ا ف ن ي في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ا نفسه วจินาท ر าอาร์ชีฮิวมิดาลกาลิมัติฮิยา حي ยยา قيوم ดุรฮะมัติ ل าอั ل ตัก ل ิสุอ ح ลลิฮ์ฉะนี้คุล له วะล ال ิฉ ي ل ا ีอ ل ลา م นฟซี م รัฟต์อ ل ลัยน์มั ه บิยาลล ل ฮ์วะนิยามล์วาคิล ที่มัสยิดอันวาลิสุนนะแหละพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับตัฟซีรอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านบางคนก็เป็นแม่ค้านะครับที่นั่งอยู่ที่ตลาดนะครับก็เปิดรายการฟั ง, งกันคือทางการเรียนศาสนานี่จําเป็นอ่านกุรอานนี่เป็นอามันที่จําเป็น อัอ่นคุรอานทุกวันนะครับอ่านุรานมีสองแบบอ่านแบบให้จบเป็นเล่มๆเนี่ยบางคนนิวางแผนแล้ว น, นะธรรมกรจะมานี่นะจะอ่านจบกี่ครั้งคำว่าเนียดเนี่ยหมายถึงการวางแผนไม่จะตั้งใจทันจันนามาติ ส, บบสองร๒ลักษณะลิลลาวิตาลาอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง แต่คำวันเนียจริงๆมันมาทำการวางแผนอยู่ในใจลึกๆระมดรอนปีนี้มาเนี่ยเราอยู่ในบ้านกันกี่คนต้องนึกอ๋อห้าคนห้าคนเนี่ยมีคุณอ่านทุกคนเปล่าถ้าไม่มีก็ไปซื้อมาแต่ซื้ออแจกอ่านี่กราน น, นี่กรา น, นะเตือนสติก็จะซื้อของ จากตลาดนะได้นะมันซื้อของจากร้านขายหนังสือคูราหมาแจกรูปแจกหลานแล้วก็วางแผนว่าจะอ่านคุราห์ปีนี้เดือนนี้กี่จบต้องนึกอ่านยังไงอ่านให้จบเล่มหรืออ่านแบบรู้ความหมายก็ต้องวางอยู่ในใจเราลึกหมดแล้วก็สอนนำมาแต่เราวิ่งจะมาที่ไหนเนี่ยมาที่บ้าน ใครไปนิมามมาเปนกี่คนก็ต้องนึกถึงกั น, กนถ้าทางจะไปไม่ไหวไปส่เราดที่ความมั่นมาตามนิมามจะมากี่คนให้ผูห้หญิงทำภรยาไปมาบ่ก็ต้องวางแผนในใจลึกๆคนที่เป็นเป็นมุสลิมเนะี่ยผมเป็นห่วงคนไม่ใช่ห่วงตัวคนเดียวมันมีอยู่คนนึงเขียนสือดีก็บอกว่าอิงค ah um ุณตะตัชอาบบิลอาลามิฟวาอันตะฮายุม ถ้าคุณเนี่ยมีความรู้สึกเจ็บมีอะไรมาถูกตัวคุณเจ็บมดกัดเจ็บรู้สึกเจ็บนะคุณเป็นคนที่มีชีวิตชีวาแค่มีชีวิตชีวายางเดียวนะอาม่าอิงคุณตัทัชอาบลอาลามิลอาฮอรีนฟะอันตะอินซานุถ้าหากคุณมีความรู้สึกเป็นห่วงคนอื่นรู้สึกเจ็บ แทนคนอื่นรู้สึกเจ็บอย่างเดียวเนี่ยคุณยัมีชีวิตทํามีความรู้สึกเจ็บแทนคนอื่นความหมายต่างกันนะแทนคนอื่นเมื่อไหร่คุณเป็นคนหรือเป็นมุมินผู้ศรัทธาต่อรอรรถเตือนเทาเยอะนะนี่มันเตือนทั้งหมดเลยเตือนเตือนเตือนเจ็บอย่างเดียวยุงกัดเจ็บ เอายามาเฉดดีกว่าคุณมีความรู้สึกคุณมีความรู้สึกอย่างเดียวคุณยังมีชีวิตอยู่ยังหายใจเข้าออกได้แต่ความรู้สึกเจ็บเพราะเป็นห่วงคนอื่นเป็นห่วงคนอื่นเนี่ยเป็นคุณเป็นอินซ่านุมคุณเป็นมุหมินถ้าไม่ห่วงใครเลยนะแค่มีชีวิตจะพูด ง, ง่ายๆก็คุณเป็นศพ ที่เดินได้ธรรมดาสวดมันต่างตายยังไล่ะคุณแค่เดินได้อย่างเดียวนะ่ะนั่นไม่มีค่าเลยนะในในโูกใบนี้ครัพี่น้องครับวางแผนนะเดือนมอมงคารจะมาจะนำมาที่ไหนจะอ่านคุณอ่านกี่จบให้กําลังใจลูกเดี๋ยว่าเราให้ลูกอ่านจบสองจบไปสองพันถ้าสามจบเอาไปสามพัน ก็ขยักำลังใจจนกันแล้วกั น, นะนองเอาวันนี้มาสูรออะไรซเดเมื่ออายะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีอยู่คนหกกลุ่มใช่ไหมลนะ่ะพอจะจำไดนะ้มีคนอยู่หกกลุ่ ม, มกลุ่มไหนบ้างเอ่อกลุ่มกลุ่มนว ح, ัวกลุ่มอากลุ่มฟิรอน เพราะว่าฟิร์งเอเนี่ยเราแถว่ายุลเอาตาต้องนึกตรงนี้ก่อนกลุ่มมือเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเยอะกลุ่มนกลุ่มอารกลุ่มฟิรเเพราะว่าฟิร์งเาเนี่ยตาม้วยยุลเอาตาเอาตาเนี่ยสับเดิมมามาจากตอกมุดตอกมุดมาจากวาตาดาวาตาดาวาตาดานี่มันเอาตา ถ้จาจุลเอาตาแปลว่าผู้ที่มีอำนาจเอาหลอคนที่อะไรนะมีความสามารถเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่แต่ศัพท์เดิมมันน่ะวัต้ที่แปลว่าตอกหมุดทำไมอ่ะเพราะเฟโร์เนี่ยเขการจับประจานประจานความชั่วของเฟรโรนที่ทำอะไรผิดไว้บนโลกดุรยาไปนี้แล้วไม่ยอมเตาบ้าตัว รุ่นเอาตาหมายถึงเวลาฟิล์เราไม่ชอบใครเกลียดใครเนี่ยแต่มุมินนะ่ะทางี้ได้ปกเกลียดคนนีกว่าไม่มีครับสงสารคนหมดแต่ฟิล์เรานีกคนละเกลียดคนนี้นะจับคนมาลงโทษการลงโทษมีอีกมีอยู่หลายแบบนะแต่แบบหนึ่งที่ฟาโรห์ทาก็คือขึงพืชเสร็จแล้วก็เอาตะปูเนี่ยมาตอ นี่เก็บภาษ า, อ า, าเอาไว้เอาไว้ลงโทษเนี่ยอาคิโรรุลเอาตาจับมาถึงพื้นแล้วก็ตอกลิ่มตอกตะปูแล้วก็เอาสัตว์ร้ายๆจะเป็นแมงป่องงูมารุมกัดจนกระทั่งตายเอาความคิดมาจากไหนคิดทรมานคนเนี่เราเก็บภาษาเอาไวา้พืจะแฉมารยาทเองน่ ดีหรือเร็วรุลเอาท่ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มนัวพี่น้องก็รู้นะนัวเนี่ยสอนศาสนากี่ปี950ปีแต่กุรานพูดว่าอิลลัคอมซีนะสนาพันปียกเว้น50สอนศาสนานะี่ยพันปียกเว้น50นี่ภาษาภาษกคุรานนะ่ย มีอุลมะหลายคนมาวิจัยตอนหลังนี่พบอย่างนี้ไอเวทยกเว้นห้าสบเนี่ยตอนเก้าร้อยปีน่ะไม่มีใครเชื่ออลอนลงโทษโดยการให้อะไรมานะให้น้ำท่วมโลกใช่ไหมเมื่อสอนศาสนามาเก้าร้อยปีไม่มีใครเชื่อนี่สอนทงกลางวันกลางคืนเป็นกลุ่มตัวต่อตัวไปวนไปเวทย์สอนหมดพปนะเนาะออลอนเล่าเองน่ะ ไม่มีใครเชื่อเ้าก็ลงโทษ <c oughs> ลงโทษคนที่ไม่เชื่อนะั่นแต่คนเชื่อก็ขึ้นเรือกันหมดแล้วย่งไล่ะหลังจากนา้ำท่วมหายแล้วสอนศาสนาอีกห้าสิบปีอินลาคอมซีนามันนนกรุงเทพนะน ไ, นะไปเปิดดูนะยกเว้นห้าสิบปีตกางจาัถว่าห้าสิบปีหลังนี้การดะว่าเผยแพ่แบบราบรื่นเก้าร้อย นีนัน่ะราบรื่นไหมไม่ราบรื่นถูกดา่าถูกฟิตนาถูกสารพัดแล้วก็พอน้ำท่วงตายหมดแล้วเหลือแต่คนคนดีเหลือแต่ค น, ค น, ด, คนดีนี่เผยแผ่อิสลามราบรื่นั้มราบรื่นอัลลอฮหอักบัรต้อการจะบอกพวกเราเหมือนกันอะไม่ๆนี่จะเผยแผ่สุนหนาเนี่ยยากพอ พเอเผือไปสักยี่สิบปีหรือสาสิบปีใช่ไหมล่ะพอก่อนจะตายสักห้าปียกตัวอย่างเนี่นะเออพาเผ่แผ่สุ้นนะราบรื่นดีเออทำแล้ละคนด่าไม่เยอะนี่มันเป็นที่อรรร ล, อล์เล่าไปฟังงานอื่นอรรรรลอ์ไม่เล่าอรรรงานวังงานศาสนาในงานยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะใครที่ไม่มีศาสนาตายนะถูกลงโทษหมดพูดแล้วเตือนแล้วเตือนอีกอันแล้วอรรร เอาต่อมากลุ่มที่สีสมูทใช่ป่าวเราอ่านอายาที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่ห้ากาวมูลูตกลุ่มที่ 6, หกอาสฮาบุลไอกกลุ่มลูดเนี่ยลงโทษห้ารายการติดต่อกันทยอยมาห้ารายการถ้าไม่ต้องห้าล่ะ กุมอื่นแค่มาอย่างเดียวมันก็ตายหมดแล้วแต่นี่ห้รายการต้องการจะเตือนคนที่ผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันเองระวังนะถ้าไม่ตาบ้าตัวไม่เลิกนะมันอร่อยอร่อยจริง <c oughs> ลงโทษหรายการหนึ่งอัลลให้มาเัยิก้าเอาปีกมาตบหน้าคนที่คิดสกปรกในใจนะตาบอดหมดเลย ข้อที่สองให้ฟ้าผ่าลงมาแรงๆเสียงกำบันาาเสียงเดียวข้อที่สามล้มตายล้มแบบสลบนะ่ะข้อที่สี่เนี่ยเอาลอพลิกแผ่นดินนะ่ะแล้วข้อที่ห้านี่น่าอายที่สุดก็คือเก็บไว้ให้เป็นเดซีปัจจุบันแต่เขาคิดอะไรบ้างนี่อุสมุสลิมคนเนี่ยต้องคิดแบบนี้ต้องคิดตามอัลกุรอาน ถึงตัวเองจะปลอดภัยถ้าคิดไม่เหมือนกุราณนะลำบากทุกคนเลยอันนี้เป็นตัวนะครับแล้ว่าอาสาบุลไอกัพวกชาวป่าทึบอธิบายยางงี้ป่าทึบเนี่ยคนใหม่เที่ยวนะป่าเทือกก็คืออลัลลอให้เป็นเป็นร่มร่มเป็นปา่าคล้ายๆกับสบะเหมือนกัน ไปไหนมาไหนเดินทางสะดวกสบายมีอาหารการกินมีที่นอนมีเรียบร้อยคนเบืออ่อเบื่ออีกอยากได้อะไรนะไอทะเลทรายอะฮิวเป้โกเดนอย่างนันนะอยากได้ทะเลทรายเดินไปปีนทะเลทรายบ้างโอ้แล้วก็ฮิวเป้อยู่ข้างหลังกินตรงที่นอนแมวแล้วอัลลอฮฺก็ให้ให้ตามที่ขออ่ะให้เคลือน พังลงมาต้นไมใ้ใหญ่ๆตายหมดเหลือแต่ต้นพุทสาแก่นๆเห็นไหมแล้ววันนี้อลล็อกก็ให้อ่ะถือเป้กันไม่แถวเาไม่เห็นเหรอเอาแตะแค่นี้พอเอาต่อมาก็วันนี้อายาที่สิบสิบเอ็ดใช่ปะ่ะสิบหกส6สิบกครับ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا ربنا عجل لنا ق ن ا قبل يوم الحساب الحمد لله الله أكبر แปลง ي ้ Allah ل ه و ให้ a ั คนกาเฟในสมัยนบีที่นครมัต ก, กะเขาขอมาอย่างไงรู้รับบานาะแปลว่าพวกเขาวากูลพวกเขากล่าวว่ารับบานาะข้าแต่พระผู้อภิบาลของเราเอ่ยหรือว่ า, อ, าอัลลอฮ์จ๋านั่นแหละอัจญ์ละนะคำว่าอัจญลเนี่ยแปลว่าได้ทรงโปรดเร่ง ได้ทรงโปรดเร่งให้มันเร็วขึ้นได้ทรงโปรดให้เกิดขึ้นแบบเร็วๆอัจจินเนี่ยคาว่าอัจจินเนี่ยมาจากอาจาระลว่าวัยหลืออีกอย่างเนึ่งนะอัจจินเนี่ ย, ยต้องการจะอธิบายว่านิสัยของมนุษย์บนโลกดุรยาใบนี้ถ้าไม่มีอิสลามกำกับชีวิตเนี่ยใจร้อนหมดใช่ไหม่ใช่อะ ที่สามีภรรยาทะเลาะ ก, กันเนะพราะใจร้อนที่สามีภรรยาทะเลาะ ก, กันนะ่ะตบกันด่ากันเนี่ยเพราะใจร้อนถ้าใจเย็นเย็นเนี่ยปัญหามีมาไหมทำไปได้ไม่มีไม่มีครับพบสังเกตดูตัวเองเอาลาถ้าใจเย็นเย็นเนี่ยนะคิดไปคิดมาคิดก่อนก่อนคิดก่อนพูดนะ่ะไม่มีปัญหาเลยนะ่ะ ถ้าใจร้อนอลัลลอฮฺนั่นก็แปะความใจร้อนไนะว้ในหัวใจเล็กๆในน้ออย่ารอแล้วก็ให้ของที่มาควบคุมความใจร้อนอนะมีไม่มีพานบีมุฮัมมัดอีมานเนี่ยมีอีมานมีตักวามียะตีนมียาซามีอิขลาหัวใจโยงกับล้อนอะไรในใจเย็นหมด แต่เราลืมเอาอิมานทิ้งเอาอิมานทิ้งแล้วบอกว่าเราก็เดินตามยะฮูดีเดินตามนั่นเดินตามนี่ถ้าอ่านกรอานจะเจอเลยความใจร้อนเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่ดีครับนี่ใจร้อนเนี่ยดูสิรับบานาอัจจิลลานาได้ทรงโปรดเร่งนะครับลานาให้แก่เราเร่งอะไรครับ ติดตอนส่วนของเราคำว่าส่วนของเราเนี่ยหมายถึงการลงโทษ <c oughs> เราพูดในคัมภีรุณ อ, อ่านผ่านนาบีว่าการลงโทษของอัลลอ์เนี่ยมีนะการลงโทษเนี่ยมาจากอัลลอ์นะเช่นแผ่นดินไหวใช่หรือไม่ใช่มห้มาจากอัล ล, อ, นะลาาอ์ลลอทั้งหมดนะน้ำท่วมสมัยนบีนวูว่าฟ้าผ่า มาจากโลกทั้งหมดะและฟ้ฟาพาที่ไม่ตายกว่ามีที่ตายกว่ามีี่ต้องก็อ่านคลิปดูกร้อัลหลอบบงทีกำลังยืน อ, อยู่สามสีคนโคนต้นไม้เนี่ยฟาเปรีย้ยมล้มหมดเลยตายหมดเลยทำไมอะเพราะว่าอ่านดวงไม่เป็นสุบ ا ن ا ل ล ه ที่อะไรอะ y u s a b บ i Hurrah Albi Hamdi ล a l m a l a i k ถ้าอานดวเป็นการ ฟาผ่าแต่ละครั้งอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษคนที่อา่อานดวงเหยั ง, งครับใกล้ๆก็อีมานสน่ศรัทธาต่อนบีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ักก็เอาความรู้ที่นบีให้นี่อั้มปกป้องบนกุญญานี่ได้ด้วยอาคิีร อ, อ ก, ก็ยังได้อีกพี่น้องนนกูบัวก็ได้อีกไปไหมไปลไม่อ่า น, นไม่คิดถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลล์ก็ให้เห็นน่ยให้ฟาผ่ามาัก็ตายไปเลยทั่วโลกเลยสังเกตตัวเถอะ ฟ้าผาแต่ละครั้งมีคนตาย ม, ม, มีครับแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองอ่ะรบบานาะอัจจิลลนะานาะอิตตานาได้ทรงโปรดเร่นส่วนของเรามาถึงการลงโทษถ้าอัลลอ์มีจริงตองการจะนี่ภาษานี่นะยนะเยอะเย้ยนะภาษาเยอะเยะ้ยเยอะเนยะ้ยนบีมุฮัมมัดครั้งที่แล้วก็พวกนี้มันก็พูดว่าทำไมไปเลือก คนที่เป็นนบีมาสอนฉันนะ่ะมาสอนพวกเราเนะ่ะเลือกครอบครัวกัม้าทำไมแล้วก็เลือกคนจนทำไมแล้วไปเลือกคนที่เงินน้อยทำไมทำไมไม่เลือกคนที่เป็นเจ้าพ่ออยู่แล้วนะ่ให้ประธานกูอาลงมาผ่านเจ้าพ่อคนนี้หรือผ่านเจ้าพ่อคนนี้ฉันจะได้เพราะฉันกับเกณฑ์ก็อยู่แล้วไงมั้นนะ่ะฉันก็ได้เชื่อกับแบบง่าย ที่อัลลอฮ์เลือกมุฮัมมัดอัลลอฮ์เลือกใจหัวใจของนบีนสะอาดสุดมาจะเป็นนักเลงสุดเลือกคุณลยางไปเนาะเลือกคนที่มีหัวใจที่อิคลาสสุด อ, อย่างนบีมูฮซากับ น, นบีฮารูนใช่หรือไม่ใช่เป็นนบีทั้งสองคนเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะเลือกนบีฮารูนเนกับมูซามา ก, ก่อนใช่ไหมฮารูนกับมูซาเนี่ย มูซามา ก, ก่อนนะทำไมเลือกมูซาทางที่พูจา้าติสางแล้วก็ฮารูนน่ยพูจา้าโอ้โหเก่งมากเลยแต่ทําไมอร่อยเลือกมูซาละ่ะเพราะหัวใจของมูซานะั้นสะอาดฮารูนอาจจะสู้มูซาไม่ได้เข่าใจไหมนะเพราะอ่านตรงนี้ต้องนึกโอ้ใช่ฉะนั้นงานศาสนาครับต้องคนบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะทงานศาสนาไม่อร่อยครับ ถูกอะไรนิดนึงโอ้หกุภาวาะแล้วทุกดากนะ็โอ้เลิกเลิกลเ ล, อ, เ ล, อ, เ อ, ลอัลลอฮัลแต่คนที่มีาศาสนาเป็นอดนงถูกเท่าไรอร่อย อ, อย่างนับดุมมัดไปถูกที่เมืองตัอดตัวทถูกกียางถูกด่าถูกไล่แล้วก็ถูกขว่างด้วยหินอร่อยอัลลอฮฺจะอภัยโทษให้พวกผูันด้วยว่าอินนหุมลายาลมูลวาเขาไม่รู้อะนะคับตัวอะไรอะ่ะ ที่ให้ความสุขอย่างนี้เพราะอีมานยางเดียวเลยถ้าอีมานน้อยเนะี่ยก็โวยวายรอบบานาะอัจจิลลานะติตรนาะคิตตนาะแปบลบว่าส่วนของเรามาถึงอาจาบการลงโทษที่ว่าที่มัมที่นบีลเล่าให้ฟังหกกลุ่มใช่ไหมที่ผ่านมาใช่ไหมกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มนฮ์กลุ่มอาดกลุ่มฟิรอาห กลุ่มลูธกลุ่มสมุตอสาบุลไอ์ว่าเล่าให้พวกอาหรับฟังพวกนี้มันก็ไม่เชื่อเฮ้ยเล่าอะไรพวกพุกทิ้งท้าเรื่องปรามรามประนไม่เชื่อนบีด้วยมันจะครอบครัวจนอีกอะไรกันวะนี่เฮ้ยก็เลยทา้าอ่ะขวโกรุท่าเลยรบบั า, าอัจลรลิานากิตตนาถ้าท่านเป็นนบีจริง ถ้าอัลลอ์มีจริงถ้าการลงโทษมีจริงแบบสมัยก่อนที่คุณลามนาโกหงทั้งหมดลงโทษออกมาเลยอ่าอัจแล้วนะจิตตอนนะา้โอ้อัลลอ์ได้ทรงโปรดเร่นส่วนของเราเหมาอถึงการลงโทษให้เกิดขึ้นแก่เราแบบเร็วๆนี่นะยอยอะเนะย้ยนะยอะเยอยนะ ตั้งแต่ตั้งเสีอะไรว่าอิสติญานี่ภาษาเยอะเย้ยครับไม่เชื่อเลยแล้วต่อมานะครับกบลายามิลฮิซากอนกบลาแปลว่าก่อนยามิลฮิซาบวันแห่งการชำระพวกนี้ไม่เชื่อว่าวันเกียรม่ามีนะ ตายแล้วตายเลยตายแล้ ว, ลวไม่ฟื้นแล้วนี่ภาษาเยอะเยินหมดเลยเนี่ยรับบานาะอัจญ ล, ละนาะนะกิตตนากรบลยายมิลไฮซาบกอนวันชำระพออับบีพูดว่าคนดีจะได้รางวัลตอบแทนคนชั่วจะได้ความชั่วตอบแทนเรียกในภาษาใหม่อีกคําก็คือเยามิลไฮซาบมันนี่ปบัติกากิยามานะวันแห่งการคิดบัญชี เยาว์มิลยัยวันแห่งการชําระหรือวันแห่งการคิดบัญชีการคิดบัญชีในวันเกียร์มาเนี่ยเป็นเรื่องจริงอยู่ในสมองของผู้ศรัทธาทุกคนทั่วโลกอยู่ในใจแล้วไหมอยู่นในสมองเรามไหมเรานึกตลอดเวลาวันเกียร์มามีจริงวันเกียร์มามีจริงวันเกียร์มามีจริงที่เราทําความดีๆวันเนี้อร่อยยามไม่ได้ตอบแทนทังวันให้เลยนะให้เล็กๆในน้อยเท่านั้นเอง แต่รางวัลอันยิ่งใหญ่หนยาวมุ่นคิดบัญชีนู่<ม>นไหนไม่ไปนอนแต่คนกาเฟ่เนี่ยไม่อยู่ในไม่อยู่ในในสมองแม้แต่นิดเดียวคนกาเฟ่คนมุสลิมคนมูนาฟิกไม่อยู่ในสมองของวันจะนามามีไม่อยู่ในสมองแต่อยู่ในสมองของผู้ที่ศรัทธาต่อองค์ท่านนาบีนี่ถูกด่าเยอะนะน้มามอสซาสนามา มาไรนะให้นับเคยนับถือพระเจ้าร้อยร้อยองค์ให้เหลือเท่าไรเหลือองค์เดียวรับไม่ได้แล้วก็ดาอับลบีเป็นสาเหตุเป็นไรนะนับมายากลาโกหกสร้างความแตกแยกเราอยู่กันสบายสบายนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟตื่นเจ็ดโมงเชา้าชีวิตมันสบายอยู่แล้วนี่มาสอนอะไรตื่น ตีสนมายุอ็มเอาอะไรมาสอนมนี่เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็หกทั้งหมดนีอันนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับอที่สิบเจ็ดอิสบิรอะลายาคูลุน ว ذ ْ ك ُ ر ْ عبدنا إِنَّهُ أ َ إن و َّ ا, أ, أ ب นเขาเ ب าวับศ ل กษาสิ่งที่เขาพูดว ذ ْ ك ُ ر ْ عبدنا ذَلْأَيْدِ إِنَّهُ أ َ و َّ ا ب บ الحمد لله الله أكبر. น บ, บีเมื่อชา ا ب เนี่ยย่ยอเย้ยไม่เชื่อแถมยังขอดุอาให้ถ้าอัลลอฮ์นีจริงถ้าเองเป็นน บ, บีจริงทรงโทษมาให้เห็นสักหน่อยไม่ได้โทษของฉันเนี่ยอ่ะนี่ย่อเย้ ย, ยนะเสียใจไนะส<ด>เสียใจครับน บ, บีกับคนเหมือนเราเสียใจ ใครพูดไม่ดีกว่แต่ไม่แสดงอาการเข้าใจป่าเสียใจนะเสียใจแสดงอาการไหมไม่แสดงเราอยู่ในใจเรารู้หมดเลยเราก็ปลอบใจนะวัชบรอ่ามุฮัมมัดเ อ, อจงอทนสบัด ร, รางวัลเยอะมากครับพี่หมอใจร้อนรางวัลไม่มีเลยมีแต่ปัญหามีแต่ความเดือดร้อน มีแต่ความยุ่งเหยิ่อะทะเลาะ ก, กันในครอบครัวมาตลอดเวลาถ้าใจร้อนถ้าใจเย็นๆเาลาสั่งวัสิรจงอดทนในคาทีคุณอานพูดเรื่องสวัติอย่างเดียวนา่งหนึ่ง1้อิบครั้งหนึ่งครั้งสบัติอดทนอดทนอดทน อ, ท น, อทนงานบนดวงยานี่นะวุ่นวายหมดออย่างนี้โควิดก็มาน่ะมาครั้งที่สามอ่ะ ถ้าทำท่าจะหนักกว่าทำที่หนึ่งที่สองแต่เราแต่จะลืมนะคนมุมินเป็นโรคโควิดแล้วตา ย, ตายก็จะตายอะไรตายใช่แต่ต้องขออุทาด้วยนะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลบารอเซวัลจุนูนีวัลจุดามว่ามินไซ ย, ยิลอัสฮอบต้องขอมาด้วยมารู้ข่าวว่าโอ้ฉันตาชิดเอาเลยไปใส่แมส ไปนั่งเข้าบาร์กับเขาเรียบรย้อยแล้วก็ บ, บาร์นี่บาร์ทองล อ, อยมากระดับไหนเนี่ยไม่ใช่คนจนนะระดับไหนโอโลโลวัดพวกรามาตอะไรตนะ่างอะไรสักการระดับสูงหมดเลยแล้วเป็นไงครับคนจนลำบากน่ะนี่แต่นิดนิดพอเพื่อเข้าใจย่านี้ <c oughs> วัสเบิร์ด น, น, น, นี่อัลลอฮฺสังให้สังอับีเแฟนมุดอไลนี่เป็นอามัดนะ คนเที่ยวนะมุฮัมมัดจอมอดทนอัลามายากรูนต่อสิ่งที่พวกเขาพูดยากรูนแปล ว, ว่าพูดไม่จะพูดชมนะพูดตำหนิพูดใส่ร้ายพูดดูถูกพูดเยียดย้มไปถึงมุฮัมมัดถึงกอัลลอฮ์ ah ด้วย อลัลลอฮ์มีจริงมุฮัมมัดเป็นนบีจริงคุรานเป็นเรื่องจริงลงโทษมาให้เห็นนราเช่นจะได้เชื่อแต่ทําไมอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษนะพรอวันนี้ก็เหมือนกันอลัลลอฮ์ไม่ไม่ลงโทษแบบนบีนัวแบบนบีลูดนะครับแบบฟาโร่แบบหกรายการที่ผ่านมาเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษแบบนั้นเพราะนบีขออุอิศ เพรานะนั ا นว่า ل ม่แล้วที่พระองค์ท و งตรัสว่าพระองค์ทว่าพองคทรงตรัส่าพะองค์ทรงัสว่าะอค์ทรงต่าพงทร่าอคท่าองสวาพอคนทีส่าพอค์ทสาะอยค์ทร่รค์ที่าูถูกนค์ทร่าะอทัสว่าพระอง์ทรร่าพยะอง์ทรรัระองค์ทรงตรัว่าะทีต่นองคว่าองคั่ะองัว่าะอง์ทตาะอย่าพงคทรงตา เอาวันนี้นบีไม่มีแล้วน่าจะลงโทษใช่ไหมล่ะวักต่อมาว่มาการนบีฮุมะอัลกุบะฮุหมะฮุมยาสตากฟิรูล้วอัลลอฮอย่าลงโทษบุคคลที่ไม่เอาอิสลามที่ด่าอิสลามที่ต่อสู้อิสลามที่เยียดยามสุนนะนบีขณะที่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังขอมาขออภัยโทษต่ออัลลอฮเช่นกุฟรอากัสตากฟิรล้วภาษานี้ท า, างที่ออกมาจะปากคน ปากคนที่เป็นมุมินทําให้โลกใบนี้มีชีวิตชีวาอยู่ได้คนกาเฟ ร, รู้เรื่องหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยน้อนหน้าไปเรื่องจริงทั้งหมดเน่งั้าโลกใบนี้จะหมดอายุ ต, ตอนไหนตอนที่ไม่มีใครกล่าวว่าอัลลอฮฺอัสตัคไวรุลลอฮฺไม่มีใครพูดแล้ววันนั้นกิยามะมาเลยแล้วกิยามะมาวันไหนวันอะไรคนโศุกร์ละมุมินอยู่ที่ไหนวันศกร์ะ อาบ น, น้ํายังแต่งตัวยังใส่เครื่องหอมอยังแบบไม่ยึดเลยใช่ไหมไม่ใช่นั่งอยู่ในมัสยิดด้วยใส่เสื้อชุดใหม่มาใส่เครื่องหอมด้วยเดีวเ อ, อกมาเจ้าบ้านมันนั่งอยู่ในมัสยิดวันเสี้ยมาเราพร้อมตระตาอยู่แล้วใส่เครื่องหอมแล้วเซลมาแบบไม่ยึดเลยใช่ไหมไ <laughs> อ้พิงต้นอิสลามอัลลอฮฺอักุบะดมันของจริงนะ น, นี่ยนะแต่เวลาอัลลอฮฺ ร้องนอี่เก่งน่าดนูนะไม่เอาศาสนานี่ยเอาร้อให้อยู่เพลินเลยนะเพลินจริงๆเข้าบารที่ท้งองรอนี่มัอร่อยมากมีผู้หญิงด้วยอ่ะสาวด้วยโรคโควิดมาสมนึกกันรึเปล่าใครอธิการการเมืองชูวิทย์อโอมันมันก็แฉดิมนกันนะโอเคแค่นี้พอ อิสบิราลามะอยก่กลูลจงอดทนในสิ่งที่พวกเขากล่าวตํานิคำว่ากล่าวเนี่ยเรไม่พูดนะอธิบายว่ากลาวและกล่าวตำหนิกล่าวดูถูกกล่าวให้เราอดทนว่าอย่าใจร้อนใจเย็นๆ อ, อดทนนีสั่งได้สั่งนบีจะสั่งพวกเราว่ามุสลิมถูกรังแกที่ไหนะใจเ ย, ย, ย็นก่อนขอมากร อ, อต่อมาครับ อาบะนและจงรำลึกถึงอันนี้วิธีปลอบใจอ่าวิธีปลอบใจตัวเองนะทะเลาะกับคนคนนุ้นดา่าคนนี้ดา่าเอ๊ะฉันถูกดา่าทำไมนึกถึงนี่การปลอบใจนะนึกถึงใครอบะานาเบาของฉันเบาของเราคนหนึ่งชื่อ ดาวูดครับนบีดาวูดนุนให้นึกถึงคนคนหนึ่งซึ่งเป็นเบ่าของฉันเนี่ยเอาเล่าเองนะอับดุลดานาเบ่าของฉันชื่ออะไรดาวูดน บ, บีดาวูดอะลัยฮิสซลาหนบีดาวูดเนี่ยเป็นยังไงครับรัลไอดีรัลไอดีผู้ทรงพลัง ผู้ทรงพลังคนที่มีความสามารถสูงสามารถในแง่ไหนฟาโรห์สามารถในแง่จับคนมาตึงเอาหมุดตอกแล้วก็เอาสัตว์้ายเนี่ยมากัดจนกระทัาตายแต่นบีดาวูดเนี่ยผู้ที่มีพลังทำความดีเห็นไหมทำความดีอะไรบ้างนาบีดาวูดไปนอครับ น บ, บีดาวูเนี่ยึ่งกลางวันถือสศีอดคนที่ถือบวรวันเว้นวันเนี่ยเรียกว่าถือบวชแบบน บ, บีดาวูไดไอลัลลอฮ์ชมเลยไหมชมชมนี่ดีสุดๆนะถ้าใครจะถือบวชพร้อมาเมื่อสักหลายปีมาแล้วผมนั่งอยู่ที่นี่นองทางมัสยิดเนี่ย มาจากปากีสถานไอคิปเปิลฟาสไอบอดีเดเอามาคุยกับผมว่าไงนะไอคิปเปิลฟาสไอบอดีเดฉันถือบททุกวันเลยผ่ก็นั่งพูดพูดผิด <c oughs> ต้องการจะโชว์ว่าฉันเป็นมุมินนะนะถือบททุกวันเลยไม่มีวันหยุดบอกเลยผิดฮะผิดอัลลอฮ์ไม่ให้ถือถ้าจะถือก็ถือแบบนบีดาวิดถือวันหนึ่งแข็งแรงใชนะ่ไหม เว้นวันหนึ่งวันเว้นวันเอาไปเลยทุกวันนี่ไม่มีสุนทรภณฑีจะให้เอารอชอบคุณรักคุณนะมีรูปแบบของนบีบิดาวุฒถือบวชวันเว้นวันลุกขึ้นนมาสการจุตุคืนได้ไม่มีปัญหาแต่ยังอย่าอย่าอย่าไม่นอนเลยนันะ่นก็ผิดนะนมัสการครึ่งคืนแตบุดาวุฒิเนี่ยนมารครึ่งคืนนอนครึ่งคืนนมัสารครึ่งคืนนอนครึ่งคืนกลางวันถือบวชบวชวั one, when, one. นเว้นวันนี่ความประเสริ ของความดีของนบีดาวูดอะลัยฮิสサラฮ์เวลาถูกปัญหาถูกดายย่าเยอะๆใหคใค้คิดถึงใครเชื่อไนบีดาวูดนี่บอกใครบอกนบีมุฮัมมัดยังงครับแล้วก็บอกเราวันนี่ยังไงว่าถูกดา่กนานถูกนู่นถูกนี่อย่าไปเดินตามคําพูดที่เขาด่ามานั่งเครียดอยู่ได้เครียดทําไมไม่น้องจะมีทางออกคิดถึงใครคิดถึงนบีคิดถึงนบีดาวูด อ, อัลลอ เนี่ยเราบอกกับีว่าคิดถึงนบีดาวูดนบีบรินลงมามาเล่าเล่าเล่าเาต่อมาครับอินหูอวะบแท้จริงนบีดาวูดนั่นอวบุญอวบเนี่ยแปลว่าพุงหันหน้าสู่อัลลอฮ์แบบแบบตะวบเหมือนกันะตะบะตัวต่อสูหนหน้าเข้าหาอัลล์ พี่น้องเราเนี่ที่มานามานห้าเวลาเนี่ยเราหันหน้ากข้าหาอัลลอฮ์นะถ้าเราไม่นามานเลยเองหันหน้าเข้าหาใครเสียอนทะเลาะกันทุกวันโนรานคนเข้าหาเข้าหาชายตอนเข้าหาฟาโร่เราตีลูกเราตีแบบแบบจะตายเลยนะมีมีคลิปไปเห็นเยอะใช่ไหมล่ะเอ็งเอาอัคล้านี่สารมาชาใช่ไหมตบลูกตีลูกด้วยไม้อ่ะจนกระทั่งตายก็มีใช่ไหมล่ะ เอ็มทรมานคนแบบแบบใครแบบฟิอรน่ะหรอว่าทรมานทำไมนี่น่ะคุกคุกที่อเมริกาที่ยูมันสร้างไว้ในเมืองไทยก็มีเนี่ยมาตอนที่อะไรตึกวอนวอ น, น, น, น, น, นเทรดอระเบิดเนี่ยมันจับมุสลิมมานะมาขังคุกเนี่ยแล้วก็ทรมานเนี่ย เอาลดลงโทษหมดพวกนี้แต่ชาหรือวยถ้าไม่ตาบ้าตัวกว่อตาเจอแน่มาท ร, รมานคนต้องการว่าเป็นกอยด้เปล่อาอัลลอฮฺนะอัลลฮบิณัมิซัลกัตวอมคกับวาซกุรอาบัดานะจงรำลึกถึงเบาของเราชื่ออะไรนะชื่อดาวูจัลไอดีผู้ทรงพลังพลังในการทำลายคนหรือไม่ใช่ พลังในการเขารบพักดีต่ออัลลอฮ์อินนุอูอาวะแทจิงเขาเป็นผู้หันสู่อัลลอฮ์สม่ัเสมอเป็นตำแหน่งนบีด้วยเป็นกษัตริย์ด้วยยังนอบน้อมถ่อมตนดีกับไมเห็นเลยถาคนที่มีตำแหน่งใหญ่ๆบนโลกถ้าหันเข้าหาอัลลอ์นะโลกใบนี้จเจริญจะตายไปนะในพอไม่ต้องรู้เปล่าในวันเตียมะเนี่ย ที่ทุ่งม้าชัดเนี่ยเอเล็ะจะเรียกคนที่มีที่ดินเยอะๆนะมายืนต่อหน้าฉันคุณเอาที่ดินของคุณนะ่ะมีเงินมีคุณขายที่รไร่หนึ่งคุณได้ไม่รู้ว่ากี่กี่สิบล้านนะ่ะคุณเอาเงินของคุณไปทำอะไรนะเอเล็กถามนะไม่ใช่ไม่ถามนะแล้วก็ถามว่าฉันให้คนได้แต่งงานเนี่ยนอนกอดผู้หญิงบนเตียงอนะ่ะ มีความสุขขนาดไหนาคิดถึงฉันหรือเปล่าแล้วก็คุณเวลาเดินมาในแดดร้อนๆน่ะหิวน้ำนนแหลขอน้ำคนนานาชาตคุณน้ำเย็นๆน่ะคิดถึงฉันหรือเปล่าคุณทำอะไรบ้างเพื่อฉันจะพูดอย่างนี้ฉันน้ำมาฉันบริจาคฉันถือสินอด อัลวเราบอกยิบเรียบอะไรก็เอาปิดปากให้หมดฉันไม่เชื่อมันแล้วมันพูดโกหกมาตลอดอ้าลเลาสัางให้เท้าพูดท้าพูดเลยคนเนี้ยนามาหาเวลาจริงถือสูดจริงบริจาคจริงแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่เอาอัลลอฮ์อะไรรู้เปล่า ประเพณีวัฒนธรรมของคนอื่นเอาหมดเลยเช่อนอะไรบ้างยกตัวอย่างวันคริสต์มาสฉันร่วมด้วยแล้วก็วันแฮปปี้เบอร์เดย์ลูกท่านนันจบเป็นยายเอกนะวันเกิดต้องฉลองเรียนแบบใคร <c oughs> เรียนแบบใครไปน้องนึกสิเมื่อก่อนในเราไม่เป็นนะเปล่าเทียนก็ไม่เป็น ตัดเค้กก็ไม่เป็นแล้วได้วัฒนธรรมมาจากใครอ่ะจากนาบีเหรอไม่มีนบีไม่เคยสอนอ่ะชาวบ้านนบีคนไหนบางที่ตัดที่เป่าเค้กตัดเทียนมีไหมไม่มีมาจากยู่รวมหมดเลยนะทําไมทำทำไมเองมอง ว, ว่าอิสลามในกระจอกนั้นเลยฉะนั้นนมาศครบหเวลาถือศีลอดบริจาคมำนำแต่วัฒนธรรมของคนอื่นเอาหมดเลยอ่ะ น, น, นี่จะมาเมื่อไรอีกาอาทิตย์หน้าแตะแตะนะกรไดกวันอะไรอ่าวันไร น, นะพอพ อ, พอแค่นี้พอประเทือนนะประเทือนเยอะนะ <c oughs> ต้องเป็นอิสลามเพียวพันเปอร์เซ็นตต้องเพียวพันเปอร์เซ็นต์เพื่ออัลลอฮ์และอัลลนนะวะสบิรัลฮะลามยาคูลนะูนวะซุรอับนดานาดาวูดะดัล อดีอินหูอวอับนบีดาวูดเนี่ยเป็นน บ, บีที่มีพลังเยอะพลังในการทำความดีนะถือบวดวันเว้นวันกลางคืนลุกขึ้นนมาตหัตยุดอ ด, อดทนัหยอดทนเอารูปแบบนั้นมาใชา้แ ล, แล้เลนบีเลยสั่งบอกว่าพออ่านประวัติของน บ, บีดาวูดนบีบอกว่นบบาวน บ, บีดาวูดนี่นะน นบีเอ๋ยนบีดาวูธีไรนบีจะพูดว่ากานาอาบันุดบาชัดเป็นคนที่ชอบทำอิบัตดามากที่สุดนบีพูดเองนะแล้วก็กาวอิสติกฟาดทุกวันนบีดาวูธ น, นบีก็เลยเอารูปแบบเดียวกันอินนีละอัสตัฟิรุลลอฮาฟิลยาอมิวัลไลละมิอามาัมัรระนบีบอกว่าฉันนี่นะ อยู่บ้านขฉันนี้น่ะทั้งกลางวันกลางคืนนี่ฉันจะกล่าวอัสตาุรุลลอ์เนี่ยประมาณวันละรอยครั้งดีไห่ดีอภิชยอัสตากุรุลลอ์อัสตารุลลอ์วันละยครั้งส้้ยได้แต่นบีเล่าว่าฉันนี่นะทเป็นประจำในวันละรอยครั้ ง, งนนทนะั้ ง, งกลางวันกลางคืนถ้าจะทามากกว่านาบีได้ไม่ได้ถ้าด่าคนที่มันไม่ใช่แต่ว่า ไ, ไมอ่ะต่อมาครับอายาที่1ิ إنا صخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق إنا صخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق الحمد لله إن الله لا و ل ه ل ا บนโลกบุญญาใบนี้เนะี่ยภูเขาเอ่ยภูเขาทำไมอ่ะให้มนุษย์ให้นบีได้รู้ว่าภูเขานี่นะที่มันพูดไม่ได้นี่นะมันทำอะไรบ้างหรือเปล่าสักครนาเราได้ทำให้ภูเขาอยู่ใต้การปกครอง แล้วก็ให้อะไรนะให้สารเสริญด้วยกับใครมาอาหูกับ น, บ, นบีดาวูดนบีดาวูดในสารเสริญอัลลอฮ์อ่านคัมภีอะไรหรือเปล่ากูอ่านไม่มีวันนั้นคำพีซาบูรอ์อ่านคำพีซาบูลแล้วก็เสียงของนบีดาวูดในชั้นหนึ่งเสียงไพเราะมากเลยท่านคนที่อยู่ในสวรรค์นียนะ จะมีภาษาพูดสำเนียงไพเราะแบบนบีดาวูดจะมีอักลากงามแบบนบีมุฮัมมัดจะมีอายุ33เท่ากับนบีอีสราอิฮิสลาฮ์อัลลอฮฺเอามาเลยนบีแต่ละเด่นๆในโลกนี้เอามาเป็นลักษณะของชาวสวรรค์ในสวรรค์ฮัมดุลิลละยูซาบิย์บบนะ แสองสะดุดีตัศเสียงล่ะแต่ว่าแสองสะดุดีบิลอัชีช่วงยามเย็นวันอิสรออ่าอิสรอได้ยิประจํใช่ไหมนมาจะได้นมาอิสลอกนี่ยามเช้าอาอธิบายอย่างนี้อัลลอ์เนี่ยให้ภูเขาสรรเสริญอัลลอฮ์เห็นยังที่เรามองดูเงียบๆนี่นะ สาลาเซินรรน่ะแล้วก็คนเนี่ยให้ปัญญามาอะไรมาถ้าม่ซาลาเริญเนี่ยคนกับภูเขาใครดีกว่ากันคุณรู้ไคนถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ภูเขานี่รู้จักอนะัลลอฮ์นะซารเสริญต่ออัลลอฮ์พร้อมกับนบีอะไรดาวูดอา้าคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์กับภูเขาใครดีกว่ากันอา่าคิดเอง ให้ไหมจำได้ไหมในสมัยนบีนี่ประวัตินี่นะนบีอ่านคุตบ้านมินบัดอันใหม่ขอนไม้มินบัดอันเก่านาบียืนคุตบ้านในวันสุขขอนไม้อันเก่าเนี่ยร้องสั่นหมดเลยอ่ะร้องคนในมัสยิดตกใจกันหมดขอนไม้ร้องทําไมร้องทําไมร้องยังไง นบีเดินลงมาจากมิมบัดมากอดบอกว่าไม่ต้องร้องฉันไม่ได้ทิ้งเพราะว่าขอนไม้อันนี้นบีเคยยืนบนขอนไม้แล้วก็สอนทนวันนี้นบีไม่ได้ไม่ได้ใช้ขอนไม้ขอนไม้เสียใจเห็นยังครับนี่สอนอะไรเราไ่น้องท่านสัพพสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาปนี้ยอมอาล้อมหมดน่ะ ปฏิบัติตามมาล้อหมดเลยอ่ะภูเขายังยอมออมามลอ้อขอนมาเป็นยอมมาล้อแล้วก็คนท้านไม่ยอมมารล้อเนี่ยเราก็ขอนมากกลดีกว่ากัน <c oughs> เอาไปน้อนคิดดู <c oughs> ใช่เว้ยนี่เล่าให้ฟังเองไม่เชื่อเรื่องของเองแต่เอกลกถูกลงโทษแน่ถ้าไม่เอาไม่เอาล้ออินนาสักขันลยิบาลแท้จริงเราได้ทำให้ภูเขา สักคนาอยู่ใต้อำนาจมาหูร่วมกับนบีดาวูทำไรครับยุซบเบนะสรรเสริญยกย่องแ ส, สองสะดุดีช่วงไหนครับบินอาชีช่วงเย็นทำไมเอ่ยทำไมเ อ, เอ่ยเอ่ยตอนเย็นก่อนต้องการจะบอกให้รู้ว่าวันในอิสลามะอะไรมาก่อน กลางคืนมาก่อนกลางวันมาทีหลังยังไม่ส้อนเลยเนี่ยแล้วก็อิจรอฟตอนเช้าแสดงว่าวันหนึ่งทุกวันทุกวันช่วงไหนสรรเสริญต่ออัลลอฮ์มีรางวัลตอบแทนมากที่สุดมีอยู่สองช่วงช่วงเย็นกับช่วงเช้าช่วงเย็นกับช่วงเช้าทำไมเออเย็นก่อนต้องการจะบอกว่ากลางคืนมาก่อนกลางวันอา้าเวลาเราแก้บวช นั่นแหละอลัลลอฮ์พอใจคนแก้บวตตอนเย็นใช่ไหมนะ่ะพอตะวันตกพักข้าวกลางคืนนั่นแหละช่วงนั้นแหละเป็นช่วงดีดที่สุดแล้วก่อนหน้านี้นะช่วงหลังอัสซัดเนี่ยตั้งแต่อัสซัดมาถึงมกริบเป็นช่วงที่มีบรกรรที่สุดอลัลลอฮ์ขออุอารับสุดๆก็คือต้องมี ก, การอัลกัตฟิลมาซาเมนูสิบเกบทนะที่ผมอ่านตอนเช้ามเมื่อกี้เนี่ยนั่นอ่ะเจ็ดปบทผมนั่งอ่านที่บ้านผมอะ ส9บเกาบทพระอันน์นก็อ่านไม่เจอนะตอนเย็นอย่าลืมอย่าลืมถึง AH. อัลลอฮอ่านสามคูนก่อนอ่านอัยจปุสีอานนุนอ่านนิดขอดาต่ออัลลตอนเย็นไปนอะไม่ใช่ทะเลาะกับคนซิกรุณาเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเนี่ยทางดามาต้องอ่านได้ไหมนมาสุบโบเสร็จจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นให้ฟิกรุณาเนี่ยเราเอาตตัสมันมาแทนาว่าลมด ล, ละ เดี๋ยวสอนสท้องทิศจบได้มาตะวันขึ้นยังขึ้นแล้วนมาดอีกสีกอ่อัาหนามาจะได้มาดอิชรอกเนะ่นะมาแต่อิชรอกเนี่ยแปลว่าตะวันขึ้นแต่สามเดิอแปลว่าดุฮาน์นมาดูฮาร์อี่รัก ด, ดีที่สุดแล้วรักษาอยู่ที่บ้านก็นทาเป็นประจำทาไมทันก็ต้องอาทิตย์หนึ่งครั้งก็หวังระวันตอบแทนจากอัลลอฮ์ตัวรู้ว่าวันเวลาเนี่ยิบสี่ชั่วโมงเนี่ยช่วงไหนดีที่สุดติ่นึกถึงอลัลลอฮ์ ช่วงเย็นกับช่วงเชา้านี่หลักฐานยูซาบิฮ์นบีละอซีวันอิสรอกนอกจากภูเขาแล้วในอายะอื่นอับตทน์แว่าเบิดนกนกก็สรรเสริญอัลลอฮ์เสียงของนบีดาวุลพลาอ่านคัมีรซบุตนคืนน้องอัลลอฮ์บ่เสียงเพราะมากภูเขานี่ าสนาเสริญนกที่บินบินอยู่น่ะบินไม่ไหวอะ่ะปีกอ่อนเลยราฟังสารนเสริญพร้อมกับนบีดาวิดอัลกิสาลานีเาาา่เล่าให้ม u e h a m m a ฟังเราใครฟังสปปรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ศาสาเสริญอาลงหมดเลยกบเทียดกายไม่เห็นเลยเอากายขันต่อไหนเวลานามาหมดเลยยิ่งหนามทหายุทธ์ขันแล้วคันอีกขันแล้ว เตือนลุกขึ้นนมาได้แล้วอุสกุรุลลอฮ์นี่ภาษาผมนะนึกเอาเองอุสกุรุลลอฮ์จงนึกถึงอัลลอฮ์ไปลุกขึ้นนมาคนที่เลี้ยง ก, กายอัลลอฮ์พระเจ้าย น, นมาเลยอุสบินลาภาษานี้ยต้องว่ามีอยู่เวลาที่ประเสริฐที่สุดมีอยู่สองเวลาทําให้หัวใจเข้มแข็งเข้าใจตรงนี้นะทําให้หัวใจเข้มแข็ง ทำให้ใ like night, e e e e ใใหัวใจอ่อนแอลได้เดียวด่าคนน้นด่าคนนี้ใจโร่นอ่อนแอหมดให้หัวใจเข้มแข็งนึกอะไร น, นึกถึงอัลละฮฺเยอะๆช่วงนะั้นช่วงเช้ากับช่วงเย็นก็จะทำตามต่อมาครับวัดตอยรูมัชมัชชูรอคุลลาฮฺอัลลอฮฺวัดตอยรูมัชชูรอ กุลุลลาออาบะบะวตอยตอยแปลว่านกไม่ใช่ภูเขาอย่างเดียวนะที่สรรเสริญอัลลอ์สะดุดียกย่องอัลล์พร้อมกับ น, นบีดาวูดนะไม่ใช่ภูเขาอย่างเดียวอายาที่สิบเกวตอยนกให้สบายใจฮมนุลลิลหมออานคุณอานหูตาสวานะ่างเนาะ สิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยนึกถึงอะไรหมดเลยสรรเสริญเราแต่เราไม่รู้ว่าสรรเสริญอย่างไงต่อมาครับมัชฌูรตุลมัชฌูรแปล ว, ว่าทั้งหมดนกกี่ตัวกี่ตัวที่บินอยู่ในอากาศที่ไม่บินอยู่ในอากาศทั้งหมดนี่มาเล่าฟังทั้งหมดเลยนะทั้งหมดโลกนะประชากรโลกนี่เท่าไหร่ คนไทยเอ่อประชากรมนุษย์เน่ยเจ็ดพันล้านแล้วนกมีเท่าไรยังมีการยังมีการสางการวิจัยแต่รอดเล่าละท่านบอกกูรุนกทั้งหมดทุกตัวบนโลกนี้สรรเสริญก็ใชครั้งแรกกับสรรเสริญนู่นนะสมัยอดีดาวูนสมัยนี้ผมว่าสรรเสริญทั้งหมดเลยนะกุลุลหูอวะทั้งหมดหมาทถึงนกทุกตัว ลาวูกับนบีดาวูดเอาวา่าแปลว่าเชื่อฟังนบีดาวูดทุกตัวเลยเห็นไหมแล้วเรานี่เชื่อใครส่งนบีมุฮัมมัดมาเป็นของสุดท้ายด้านปฏิเสธนบีมุฮัมมัดกับดาสุน่านบีมันอะไรนกทุกตัวเนี่ยเชื่อฟังหมดเลยสอนในคุณคิดเอาวา่านกทุกตัวเนี่ยนะ เชื่อฟังนบีดาวุฒนบีรสั่งอะไรทำหมดเลยอ่ะนกยังเชื่อนบีแล้วเราได้เชื่อมุฮัมมัดปล่าวอาเอาเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาไปนอนคิดอันเองก็ได้ปะ ต, ตอยรุมาซูระกุลุนลาหเอาว่ากูนี่เลวจริงๆสุนห์สอนในหมู่บ้านไม่ได้ไปยืนดา่าเขาเอาฮัดดษตบีมาสอนไม่ได้กากระ บ, บาสีแดง เมื่อคืนคนเล่าให้ฟังในงานที่ MTV. เอ v มทีเอล่าแก่นี่พอวัป้อยรุนกอ่ามหฮซูรตุนรวมกันกุลูดทั้งหมดสรรเสริญต่อไปพร้อมกับนบีดาวูดละหูวอาวานกทุกตัวนี่เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของนบีดาวูดทุกตัวเลย เราอยู่ในยุคนบีมุฮัมมัดเชื่อนบีทุกคําสั่งเปล่านอนตามนาบีป่าดื่มน้ําตามนาบีหรือเปล่ายืนนมาดเนี่ยไปนองขอข อ, ขอคุยตรงนี้นิดนึงนะตาเหลือกเนี่ยตามใครถ้าตามนาบีนบีจะมองที่สูยูดอย่างเดียวเวลานั่งอัตหยาตมองติด น, นี่นบีนี่ตามนาบีถ้าไปมองเสื้ออิหมา ม, มาตามใคร ตามใครอ่ะพระพุญบจะมีอ่ะพระพุลธบาลอจะให้เพราะนาบีตั้งหากและนี่ก็เหมือนกันนกในทุกตัวในโลกนี้เชื่อฟังนาบีดาวูทุกตัวไม่มีตัวนั้นทรยศสักตัวนึนไไวงอ่ะนมตลว่าใครดีกว่ามนุษย์กับนกใครดีกว่าอ้าแต่ตรง น, นี้เดียวต่อมายะสุท้ายะที่ยสบ ในตับเสดบอิบววีบอกว่าสรรเสริญอัลลอฮ์ถาเสรมรอุฮานอัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วฮมดุลิลลาห์อัลลอฮุอบดุและโน้สรรเสริญแบบไหนเราไม่รู้อัลอฮไม่เล่าเราฟัแล้วก็ในับในรูห์กุลลูหูนี่กุลลุลละหูละหูนี่แปลว่านบีดาวิด สปปรรพสิงทั้งหมดนะนกภูเขาเนี่ยสรรเสริญกับอัลลอ์พร้อมกับจารีบดาวูดแล้วก็ค า, าว่าอวาบเนี่ยมีอยู่สี่ความหมายความหมายหนึ่งก็คือกับตัวอันที่สองกับตัวไปหาอัลลอ์อันที่สี่สรรเสริญอัลลอ์อันอันที่ห้านึกถึงความชั่วของตัวเองตอนอยู่คนเดียว แล้วก็กล่าวอะสตาฟิโรลล์อังท่าธมชาติกับพวกเราวันนี้นึกถึงอัลลอฮ์ออยู่คนเดียวก็กล่าวว่าไงอะสตาฟิโรลล์นึกถึงบาปที่ตัวเองทามาเนี่ยไงง่ายเดีวอวสุดท้ายวาชัดะนมุลกูวะอัตนาฮุลฮิคเมห์ว่าฟัซลัลตบ ว่าสดุดนามุลขะฮุว์ว่าแตยน้าฮุลฮิก mah ว่าฟัซลลัลขิทาบอัลลอฮุอะลัย่์ เป็นนบีด้วยแล้วก็เป็นกษัตริย์ด้วยเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองมีอาณาจักรเขาดูแลเนี่ยอาณาจักรแบบไหนรู้ไหมชาดดนาเราให้มุลกาฮูอาณาจักรของนบีดาวูดนั้นเข้มแข็งถ้าจะเปรียบเทียบกับ เข้มแข็งเหมือนรัสเซียรหรือเหมือนอเมริกาหรือเปล่าเลาว่าแล้วแต่น่าน่าจะไม่ใช่เพราะเข้มแข็ง แ, แ, แบบนี้มันโหดแต่เข้มแข็งแบบนบีมีแต่เมตตาใช่ไหมสอนให้คนสุยูสอนให้คนให้อภัยปกษัตริย์ีงฟาโรสอนเ่าอืมไม่มีทางหรอกสงสารในตตาไม่ยิ้มไม่เป็นหน้าบึ้งตลอด วาสนาดนาะมุลกหูและเราได้ทำให้อนาจาักของนาบีดาวดั น, นเข้มแข็งรู้ป่าวมีทหารเท่าไหร่ในตับเจ้บ่าสองมืนสามมืนสองพันคนมีทหารนะสัตรูมันไม่เยอะสมัยก่อนนสามมืนสองพันมีทหารนะ ดูแลต่อมาครับเรื่องเรื่องที่สองก็ลองให้อีกวา่าใจนาหูและเราได้ประทานให้แก่นบิดาวุให้แก่เขาอัลฮิกมะวิทยาปัญญาคือความรู้ให้ความรู้ฉะนั้นพี่น้องครับใครที่มีความรู้บนดุนยาเบ น, นี้จะเป็นใครก็ตามนะอย่าคิดเองว่าฉันฉันมีเงินฉันหาเองอ S <S <an> เอ็งหาแต่ใครให้เราวต้องนึกว่า All อัลลอ์ให้ทีนี้กำลังวังชาเดินมามาซิเดด้ดามาฟังตับซีนในใครให้อัลลอ์ให้มีสนามสนนพี่ไปเออไปน้ำมาที่โซราของเคปฟังตับซีนแล้วมันเล่าฉันฟังด้วยนี่อัลลอ์ทั้งหมดนะบางคนว่าพี่จะไปเลยพอแล้วแต่มีอันนีมาจากแสตตอนต้องนึกนะ ข้อที่สองให้อะไรนหะ้ให้ฮืกมะให้คืมะเนี่ย อ, อุลามะอธิบายว่านูบูวะการเป็นนบีเห็นไหมให้คือมะบุติยะจะมายถึงการเป็นนบีข้อที่สองให้ความยุติธรรมนี่มาจากขลอร่ำหมดเลยนะอันที่สี่ให้ความรู้และความเข้าใจไปน้องเข้าใจกรุรอานเนียโอโยิ่งอยากผมขอประจําเลยนะอัลลอฮ์มาอัลฮิมนีรุษดีอัลลอฮ์จะาชี้ทางนำํำไปถูกต้องมาฉันด้วย ผมขอวันนึงเป็นร้อยๆ อ, อ่ะผมกลัวน่ะอธิบายคนอ่านคนไม่เข้าใจหูไม่เอากลัวอะต่อมาครับวันฟอตอนะ ค, ความเฉลียวฉลาดอัลลอฮ์ให้ฉนันคนที่ฉลาดฉลาดบนโลกดีมีมั้งมีครับต้องนึกไม่ใช่ฉันหาเองนะมาใช่เงินก็มรัฐบาลที่อัลลอฮ์ให้มามาใช้ฉนนัฉนหาเองนะมีที่ดินอยู่ร้อยไร่น่าสืบค้อนอีกโอ้โห ตะกับบูธนา่าดูเลยใครระวังระวังระวังเองฉันสอบเองแน่ในวันเกียงมากตะขายทางรอยละสากาัดใจหรือเปล่าส่วนตะก็อใจเปล่าพะดีญาธิทำเปล่าว่ากับทำเปล่าสอบหมดเลยอะ่ะอย่างนี้เป็นต้นต่อมาครับวาฟัสลลขีอบแปลว่าเป็นผู้ที่วินิจฉัยคดีต่างๆแบบ ถูกต้องวินิจฉัยคดีต่างๆโคคดีมหาท่านเยอะตัดสินจุติธรรมเป๊ะเลยหลอเอ็กซ์ปัติมีตัวอย่างเยอะเอาไวอ้อาทิย์หน้าะอธิบายอาลัลลอฮ์ให้ครับทั้งหมดนี่มาจาก อ, าอัลลอ์เตือนนบีให้รู้ให้นบีมาสอนเราว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องอยู่ในโลกอาคเราะไม่ใช่สำเร็จบนโลกนุญยาบนน้นเป็นการทดสอบทดสอบทดสอบทดสอ บ, สอบแล้วก็คำอ้อนวันให้ในโลกอาครอ ตัวรองงานสามอย่างนะอะไรบ้างหนึ่งให้อนาจักรของนบีดาวูดเนี่ยเข้มแข็งปัจขันฐานที่สองให้ให้วิทยาปัญญาความรู้ให้เป็นนบีด้วยให้มีความยุติธรรมด้วยให้ความเข้าใจอิสลามด้วยและให้ความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาด้วยข้อที่สแล้วก็วินิจฉัยคดีต่างๆด้วยความยุติธรรมนี่เป็นของที่ดี ผู้ปกครองต้องเอาอัาคราบของนบีดาวุฒิไปใช้ไม่ใช่เอาฟารโรห์มาใชา้ไม่ใช่ครุยแล้วเอาลุกมานมาใชา้ไม่ใช่ไป น, น้องเอาใครจะนึกถึงบรรดานบีนบีน บ, นบีเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไปน้องครับหมดเวลาสุภานกรลอฮุมในวะบีฮัมดิกลัสเวลลัลลอฮิละอิลลาอัลลอัสซัลลาฮฺกาวะโตบะอิลลา